บัล ah uh. ah ah am? oh uh, ัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยลัยอะลัยอะลัยอะลัอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยนะลัยอะลัยะัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยอะลรยอะลัยอะลัยอะลัยอะลัยะะอละัอัะัอลัละัลัยะััอออยอออัลอะั อยากจะได้บอกแล้วก็เน้นย้าพวกเราทุกคนนะครับว่ากุรานที่เราศรัทธานะครับกุรานที่เราอ่านกันเนี่ยแหละครับเป็นธรรมนูญของชีวิตเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิตไม่ใช่เฉยเช่อ ช, ช่วงเรานะครับของอุมมะประชาชาติของท่านนาบีหมอมุ ส, อลสลลลฮุไอะลัยฮิวะซัลลัลและยังเป็นทางนําและทางรอดของมวลมนุษยชาตินั่นหมายความว่า นี่คือความยิ่งใหญ่และความสําคัญของอัลกุรอานนะครับอยากให้เราทุกคนนะครับได้พยายามที่จะได้เเล็งเห็นและมองเห็นนะครับสิ่งสําคัญของอัลกุรอานนะครับพี่น้องจะเริ่มศึกษาแบบใดก็แล้วแต่นะครับไม่มีอันใดที่จะบอกว่าไม่มีประโยชน์อย่าได้มองว่าอ่านอย่างเดียวคงไม่มีประโยชน์ท่องอย่างเดียวคงเหมือนนกแก้วนกขนทองอย่าได้คิดอย่างนี้นี่ไม่ใช่หนังสือทั่วไปที่เราเข้าใจว่า ไปท่องหนังสือนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้ปล่าครับรอุราานเป็นคมภีนะที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัตตาลาส่งประทานให้กับท่านนาบีสุลต์ละวฮ์อัยฮิวะซัลลัมซึ่งมาเป็นธรรมนูญมาเป็นสิ่งที่จะได้สอนและบอกกับพวกเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตในโลกดุลยานี้และในการวางเป้าหมาย ของชีวิตในดุนยาเพื่อไปสู่โลกอะเราะห์นะครับนั้นก็อยากให้เราได้ใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดไตรตรองนะครับในจุดที่จะทำให้เรานั้นได้รู้และเข้าใจว่ากรอ่านสำคัญอย่างไรและความสำคัญของกรอ่านจะได้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติที่เรียกว่ารูปธรรมไม่ใช่สำคัญและอยู่ในตู้ไม่ได้สำคัญและอยู่บนหิ่งแต่สำคัญและอยู่ในชีวิตการดำเนินชีวิตของพเราทุกคนนะครับ กลับมานะครับในสุรอังกบุษนะครับที่วันนี้ต่อนเนื่องนะครับใ น, ในอายะที่15นะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่ Allah าาอัลลอสุบฮานุอตาลาได้ยกตัวอย่างนะครับว่าได้ส่งท่านนบีนูออลิสยลามายังประชาชาติและทาใช้ช่วงเวลาใช้การอุตสาหะมันเพียรอดทนในการเผยแพร่ศาสนานะครับและเมื่อบทลงโทษมา นะครับจะโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษพวกเขาทั้งหลายหมายถึงคนที่ถูกลงโทษนะครับฟอันเจนานะครับฟาอันเจนาหัอัสฮะบัสซาฟีนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาดได้บอกว่าและดังนั้นเราหมายถึงพระองค์นะได้ช่วยเหลือนะได้ช่วยเหลือนบีนุและชาวเรือนะคนที่อยู่ในเรือเรือนี่คือเรือนบีนุนะครับได้ช่วยให้รอดพ้นจาก อุท ก, กภัยหรือน้ําท่วมครั้งนั้นนะเพื่อให้รู้ว่าอยู่กับอัลลอฮ์ศรัทธาต่อพระองค์ปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์นั้นถึงแม้ว่าจะมีบททดสอบบ้างนะครับถึงแม้ว่าอาจจะหัวใจอาจจะอ่อนล้าบ้างอาจจะถูกบูลลี่บ้างอาจจะถูกกานแกล้งบ้างอาจจะถูกอะไรต่อเมืออะไรก็เกิดขึ้นนะครับในบททดสอบ เพื่อให้รู้และยืนยันว่านี่คืออีมานี่คือการศรัทธาต่อพระองค์อย่างชัดเจนเมื่อถึงเวลาหรือเมื่อเมื่อบทลงโทษหรืออาดาบมาถึงแน่นอนครับคนเหล่านี้จะได้ถูกช่วยเหลือตามที่กุฎานได้บอกว่าและพระองค์ได้ช่วยเหลือนบีนุและบรรดาผู้ที่อยู่ในเรือหรือผู้ผู้ศรัทธา นะครับที่อยู่ในเรือนะครับวาจาอันนะฮะอายะตัลิลอาลามีนแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับบอกขนาดนี้ก็ยังได้บอกว่าและพระองค์ก็ได้ทําให้เรื่องราวนี้สั ญ, ญลักษณ์นี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่950าร้ิปีที่ท่านอบีนุได้ใช้ความอุตสาหะมันเพียนพยายามไม่ได้จบไปพร้อมกับน้ําท่วมนะแต่พระองค์ได้บอกว่าแล้วเราได้ทําให้เรื่องราวอย่างนี้ประชาชาตินี้ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณเป็นสัญญาณนะครับให้กับอาเล็กสากลโลกให้กับประชาชาติให้กับชาวโลกทั้งหลายนะเพื่อให้เห็นว่านี่คือเมื่อท่านนาบีสุลตาร์ฮุลฮิวะซัลลัมได้นําได้บอกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีก่อนหน้านี้หมายถึงก่อนหน้าท่านนาบีแต่ท่านนาบีอ่าน หนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแต่รู้เรื่องราวเหตุการณ์นี้มาได้อย่างไรนะครับมาได้อย่างไรอย่างละเอียดด้วยนะนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องราวหรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่ยุค ข, ของท่านนาบียังมาถึงยุคเราและแน่นอนครับถึงวันทีม่มาสัญญาณเหล่านี้ยังคงอยู่จะเจอตอนไหนเจอเมื่อไหร่วอลลอว์อาลามัมแต่ไม่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นสัญญาณเรื่องราว ต่างๆนะครับจากประวัติศาสตร์ไม่มีใครสามารถที่จะลบประวัติศาสตร์ได้นะครับถูกบันทึกจารึกไว้อย่างหนาแน่นนะครับดังนั้นเมื่อกุรอานได้บอกไว้อย่างนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นลั้นแล้วแต่เป็นข้อคิดลั้นแล้วแต่เป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณที่จะให้เรานั้นได้รู้และพร้อมที่จะได้ศรัทธาพร้อมที่จะได้น้อมรับ นะครับว่าทั้งหมดเหล่านี้ร้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตและอุษานได้บอกเอาไว้ไม่ใช่เพื่อเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังแต่เป็นข้อคิดตระหนักให้รู้ว่านะผู้ที่อยู่กับอัลลอฮ์ผู้ที่อยู่ในหลักการผู้ที่ยืนยัดในแนวทางของท่านนาบีมั h a m m a l l พระองค์ไม่ทอดทิ้งไม่ว่าเหตุการณ์จะหนักขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเรามีหน้าที่ที่จะอดทน ยืนหยัดนะครับแล้วศรัทธาต่อพระองค์อย่างเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีจุดบอดแม้กระทั่งเซีลยวของอการศรัทธานะครับต่อมาครับอัลล์สุบฮานตละลาก็ได้ยกตัวอย่างนะครับนั่นคือนบีนุนะครับและยังได้บอกว่าว่าอิบราฮีมาอิดกาละลีกอมิฮะบุดุลลาหว์วัดตะกูนี่อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับจากนาบีนุมาถึงนบีอิบราฮีมนะครับ ไม่ใช่แค่วันสองวั น, นเรื่องเราเป็นอย่างไรนี่คือรายละเอียดแต่กุรอ่านได้บอกว่าและให้ลําลึกคิดไตรตรองเรื่องใครครับเรื่องราวนาบีอิบราฮิมะอะลัยสัลัมพี่น้องครับสิ่งที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานเรื่องราวต่างๆที่กล่าวไว้ในอันกุรอานของบรรดาหลอดซูลทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราขมวดให้ให้มันเป็นประเด็นหรือให้มันเห็นภาพเราจะเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ เป็นข้อคิดบทเรียนสําหรับประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมหมัดสโลลฮัวไลฮิบัสลัมมันคืออะไรล่ะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างพ่อที่เป็นรอซูลลูกที่ไม่เชื่อฟังถ้าวันนี้เราจะเห็นว่าพ่อที่เป็นผู้รู้ลูกอาจจะไม่เชื่อฟังมันก็มีนะนะครับมันก็มีนะครับความเจ็บปวดมันจะอย่างไรนะครับผู้ที่เป็นรอซูล พ่อที่ไม่ยอมเชื่อฟังมีไหมมีนะครับนี่คือสิ่งที่ให้รู้ว่าให้รู้ว่าถ้าเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคืออดทนขออุทิอดทนแล้วขอดุทินะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของศาสน า, ศาเรื่องการเรียกร้องเรื่การเชิญชวนเรื่อการปฏิบัติมันทิ้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่หน้าที่ปล่อยให้เป็นกลุ่มชนนี้ปล่อยให้เป็นกลุ่มนี้ปล่อยให้เป็นผู้ที่อัลลอฮ์สั่งมาไม่ใช่นะครับเราถูกสั่งทุกคน นะครับเราถูกสั่งทุกคนให้ยินหยัดในหลักการให้ปฏิบัติในเรื่องของศาสนานะครับเหมือนกันทุกคนมากน้อยต่างหากที่มีข้อแตกต่างนะครับว่าอิบราฮิมอิลกอเลลิกาวมิฮะบุลลอห์วัตปูนะนะจงย้อนกลับไปล้ำลึกถึงเหตุการณ์ของนบีอิบราฮิ ม, มอัลลอฮิสซลามเมื่อท่านนาบีอิบราฮิมอัลลอฮิสซาลามกล่าวกับประชาชาติของเขาประชาชาติของท่านนาบีอิบราฮิมกลุ่มชนที่บอกว่าอะไร จงศรัทธาจงกราบไหว้อัลลอฮ์จงศรัทธาต่ออัลลอฮ์จงกราบไหว้อัลลอฮ์วัตรกู้และจงยำเกรงพระองค์นี่เป็นคําเรียกร้องคําเชิญชวนจากเด็กชายคนหนึ่งที่ตอนนั้นยังยั ง, ยง อ, อยู่ในวัยนะฮะที่บอกเชิญชวนเมื่อเป็นรอซูแล้วก็เรียกเชิญชวนทําให้คิดบอกให้คิดไม่ใช่แค่บอกว่าต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่นะทำให้คิดก่อนถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติ จะเห็นว่าท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยสลาหได้ทำให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เขาบูชากล่าวไหว้นั้นไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สร้างทำให้เขานั้นได้ได้ดีอะไรแต่อย่างใดนะครับช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะครับโดนอาหารที่นำเสนอก็ไม่สามารถที่จะกินไม่สามารถไม่อะไรเลยนะครับแต่และเขาก็พูดเองประชาชาิก็บอกเองนะครับว่าท่านก็รู้ว่ามันพูดไม่ได้นี่คือ เขาเรียกคำถามการปริเทตเพื่อให้ได้สติให้คิดนะครับแดริกะเคยรุลละกุมบอกกับใครครับนบีอิบราฮีมได้บอกกับประชาชาติว่าจงกลบไว้อาลอกจงยำเกรงอัลลอฮ์เพราะทำไมครับแดลิกุมเคยรุนละกุมเพราะนี่คือสิ่งที่ดีสำหรับท่านสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านอิ่งกุนตุมตาลาบนหากว่าท่านรู้ แปลว่าอะไรครับสิ่งที่ท่านนาบีบอกนําเสนอสอนให้รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้ามาดแม้ว่าพุทธาเปิดใจรับ <c oughs> เปิดใจที่จ ะ, ะคิดไตรรองนะท่านจะเห็นถึงสัจธรรม <c oughs> ความจริงและสิ่งที่ดีสําหรับการปฏิบัติของตัวเองนะครับแต่ถ้าหากว่า ยึดติดกับเกียรติยศชื่อเสียงอํานาจพวกพ้องความร่ํารวยนะแล้วคิดมุมกับว่าถ้าเชื่อแล้วจะสูญเสียเห็นไหมมันก็จะทําให้ให้ให้เกาะเป็นสนิมและไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งเปิดใจรับไม่กล้านะครับจะพูดยังไงก็แล้วแต่รู้ความจริงก็แล้วแต่แต่ไม่กล้าที่จะเปิดใจรับเพราะนี่คืออะไรครับ นี่คือบททดสอบนี่คือสิ่งหนึ่งที่วัดใจกันนะในการศรัทธาในการยอมรับนะทั้งๆ ท, ที่ข้อคิดที่เรื่องราวของนบีอิบราฮิมอะลัยซลลมเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้ไ ด, ได้ได้ตระหนักถึงวิธีการกลยุทธ์ในการให้คิดเพราะมนุษย์ชาติพี่น้องครับ <c oughs> มนุษย์ชาตินี่ยทำไมครับ บางครั้งบอกให้เชื่อจะไม่เชื่อนะอยากจะพิสูจน์อยากจะรู้จริงเห็นแจ้งอะไรก็แล้วแต่อยากจะคือเปิดให้หมดถึงใจนั้นแต่อิสลามมาอยู่บนการศรัทธานะครับในยุคก่อนก็จะมีบ้างนะครับเรียกว่ามุจิซัตที่ให้เห็นเลยแต่ด้วยความดืดด้านของแต่ละยุคแต่ละสมัยมัน ท, ทั้งทั้งที่เห็นก็ไม่ศรัทธาเพียงแค่ต้องการเป็น ข้อต่อรองเท่านั้นเองนะครับหมายถึงท่านดบบีม้มอมัสซาลลัลฮุวาลัยฮิวซัมกุทาะที่ถูกประทานลงมานั้นชี้บอกแจ้งรายละเอียดให้รู้ว่าถ้าเราจะถ้าเราจะดื้อด้านถ้าเราจะหยิ่งยโสถ้าเราจะต่อต้านถ้าเราจะขัดขวางคนก่อนหน้านี้ทํายิ่งกว่าเราคนก่อนหน้านี้แข็งแรงมากกว่าเราคนก่อนหน้านี้มีอะไรต่อมิอะไรที่เราคาดไม่ถึง ในการที่เขาจะได้ฝา่าฝืนในเรื่องเรักษามากกว่าและสุดท้ายผลลัพธ์เป็นอย่างไรวันนี้เราจะทำทำก็ไม่ได้เท่าเขาแต่คิดว่าเราจะชนะคิดว่าเราจะใช่หรือนี่คือให้ข้อคิดว a l u e ก r o u p ไขรุน ล, ละกมหมายถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การกล่าวว่อัลลอฮ์การอิบารัดาต่ออัลลอฮ์การยาเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกท่านทั้งหลายมันเป็นช่องทางที่ดีมันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีสําหรับพวกท่านทั้งหลาย อิงกุลตุมตาละมุนหากว่าท่านทั้งหลายนั้นรู้พี่น้องครับคำว่ารู้งคงไม่ใช่บอกแล้วรู้คําว่ารู้ก็คือเปิดใจรับคําคําแนะนําและลงมือศึกษาลงมือปฏิบัติเป็นรูปธรรมและจะได้ประจักษ์ถึงศัจธรรมความรู้ที่แท้จริงนะครับอินนามาตาบูดูนามินดูนินลาฮิอูซานะว่าแท้จริงพวกท่านทั้งหลายได้ กาบไหว้บูชาสิ่งต่างต่างเหล่านี้อื่นจากอัลลอฮ์ที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับวาตัคลูกูนอฟกาและพวกท่านทั้งหลายก็ขเลเร e c สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้และทำให้มันดูขึง ข, ขังนะพูดตั้งขเลเร e c ความความอิทธิฤทธิ์ความมหัศจรรย์ตั้งขึ้นมา นะไม่ได้มีหลักฐานที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเกิดขึ้นอย่างจริงไม่มีนะเพราะท่านก็สร้างขึ้นมาเองแล้วท่านก็ให้คุณลักษณะและสมบัติของมันเองนะครับนี่คืออัลลอฮฺสุบฮานาอุตาลาบอกว่าที่ท่านนาบีเด็กกล่าวได้บอกกับประชาชาติให้ได้รู้ว่าจริงไหมยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่านะฮะอะไรจริงหรือเปล่าให้เขาได้คิด ได้มองนะครับอินนัลลาดีนตาบูดูนมินดูนลาดังนั้นแท้จริงบรรดาผู้ที่กราไหว้อื่นจากอัลลอฮ์นะครับลายมลิกูน่ละกุมริสก์พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้ไม่ได้ครอบครองปัจจัยอะไรเลยนะครับไม่ได้ครอบครองปัจจัยนะขออะไรแล้วครับขอลูกเขาไม่ได้ครอบครองอำนาจในการให้ลูกขอ ธุรกิจให้ก้าวหน้าเขาก็ไม่ได้ครอบครอง เ, อเรื่องของความก้าวหน้าของทางธุรกิจเขาไม่ได้ครอบครองอะไรเลยที่เป็นปัจจัยยังชีพที่มนุษย์ทั้งหลายอยากจะได้วันนี้บางคนบอกเป็นสิ่งยึดเหี่ยวจิตใจนะครับเขาก็ไม่ได้มีอำนาจในการยึดเดี่ยวจิตใจแต่อย่างใดนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮสุบฮาะตาลาได้บอกได้ชี้ให้เราเห็นถึง วิธีการเชิญชวนการเรียกร้องการสอนให้คิดนะะถ้าเปิดใจตระหนักคิดตามสักนิดหนึ่งไม่ต้องนานคิดสักนิดหนึ่งใ่ตรองอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่กลับไปคิดใต่ตรองเราจะเห็นภาพทาง น, นี้อย่าอย่าอคติด้วยใจนะครับอย่าว่าคิดว่านาบีบรอฮีมเป็นใครเด็กวันซื่อและจะมาสอนเราจะมาบอกเราเรานี่อายุมากกว่าเรานี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าอย่าได้คิดแบบนี้ นะครับให้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแนะนําสิ่งที่เขายกตัวอย่างเออมันใช่หรือเปล่านะอันนี้เราก็สร้างขึ้นมาเองจริงแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราบอกว่าเขาวิเศษวิโสเราก็ตั้งให้เองจริงแล้ววันนี้เราก็ไปขอสิ่งต่างๆเหล่านั้นและจะให้เราได้อย่างไรมันไม่จริงแล้วท่านเห็นไหมฮะนี่คือการเปิดโล ก, กทัศน์ความคิดนะเพื่อให้ดูรู้สัจธรรมที่แท้จริงว่าการศรัทธาที่แท้จริงคืออะไรนะครับ ฟาบตาโกลอินัลลอฮิริสกะดังนั้นในโลกแห่งดุนยานี้นะครับสิ่งที่เรากลัวแล้วก็สิ่งที่เราไม่อยากจะเจอก็คือจนแรนแค้นอดอยากกันดานที่กลัวหมดเลยทุกยุคทุกสมัยที่เราเรียกกันภาษาอาหรับเรียกว่าริสกีนั่นแหละกลัวหมดไม่ใช่เฉพาะในในยุคเรานะยุคเราวันนี้ทำไมคนไม่เข้าสู่เราทำไมไม่นมาทำไมเรียนศาสนากัวจน กลัวไม่มีงานทำกลัวไม่มีรายได้เห็นไหมฮะในยุคก่อนก็ไม่แปลกนะครับกลัวกลัวไม่ได้ข่าวสารกลัวไม่ได้ไม่ได้แป้งกลัวไม่ได้งานทํากลัวไม่ได้เงินกลัวไม่ได้ผ้าสวมใส่กลัวไม่ได้บ้านมันเป็นริสกีทั้งหมดเลยดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาห์ตาลาได้บอกว่าฟาเบตักรูอินดะลอฮิริสก์นะครับจงแสวงหาณอัลลอฮ์สุบฮานาว์ตาลาถึงปัจจัยที่ท่านต้องการแปลว่า วิงวอนต่ออลอคพระผู้เป็นเจ้าที่ให้ที่แท้จริงไม่ต้องผ่านใครทั้งสิน้นพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์เป็นผู้ครอบครองพระองค์เป็นผู้ประทานขอต่อใครครับวิงวอนขอต่ออลอคสุภาโนตละวาบูดูหูและสการะพักดีต่อพระองค์เห็นไหมอันใดก็แล้วแต่นะครับถ้าพระองค์ไม่ให้ไม่มีใครจะให้ได้บางคนบอกฉันให้ได้อย่างที่ เอท่านนาบีอิบราฮิมอะ ล, ลัยฮิสแลมเจอการท้าทายกับกษัตริย์ในยุคนั้นนะครับที่บอกว่าเอาล็อให้เป็นให้ตายเขาก็เรียกท่านมาหนึ่งคนแล้วก็ปล่อยไปเรียกท่านมาหนึ่งคนแล้วก็สังหารแล้วบอกว่าฉันเนี่ยให้เป็นแล้วให้ตายเห็นไหมฮะนี่คือความเขาเรียกเขาคิดว่าฉลาดแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจในบริบทไม่เข้าใจในบริบทที่ท่านนาบีอิบราฮิมอะ ล, ลัยฮิสกำลังที่จะบอกนะครับ แล้วแล้วทําไมครับจงกล่าวว่ายอกรวชกูรุล่ะและจงขอบคุณพระองค์เห็นไหมฮะกล่าวว่ายอกรและขอบคุณในการที่อัลลอฮฺประทานให้อะไรครับให้เราได้เข้าใจศาสนาให้เราได้อยู่ในหลักการศาสนาให้เราได้สิ่งต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่เท่าคนอื่นแต่เราพอเพียงด้วยหัวใจอันพอเพียงที่พระองค์ประทานให้นะครับอิไลฮิตุรย์อุนอันนี้พี่น้องครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆในการที่จะบอก ให้เราได้ยืนหยัดและพอเพียงนั่นก็คือและอย่างพระองค์เราทุกคนจะต้องกลับคืนเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาดังนั้นอำนาจการเงินอาณาจักรมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายเราก็กลับมาทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้และกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาสิ่งที่ไปกับเราก็คืออามัณอีบานการงานทุกอย่างที่เราทําในเรื่องดีๆจะกลับไปพร้อมเราแต่วัตถุทั้งหลายทั้งหมดนะครับรวนแล้วแต่จะทิ้งไว้ ข้างหลังทั้งสิ้นเลยนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุภ า, าตลาบอกให้กับเราเพื่อเป็นให้เราได้รู้ว่าได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคไหนและทําอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุภาหนองตลาดนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับ ﷺ